เอาน่ายอย่าซีเรียสเรื่องขี้ลืมลืมขี้ <fend OSE> <divor ces> มีชายคนหนึ่งเป็นคนขี้ลืมขี้ลืมจริงๆ เรื่องอะไรก็จำได้ประเดียวเดียวก็ลืมหมดเขาจะจำอะไรก็ไม่ได้เลยวันหนึ่งชายขี้ลืมคนนี้ถือมีดเข้าไปในป่าเพื่อจะไปตัดต้นไม้เดินทางไปได้สักพักหนึ่งเกิดปวดอุจจาระจึงเอามีดฟันติดกับต้นไม้ไว้แล้วก็หาที่หลบไปถ่ายอุจจาระพอถ่ายอุจจาระเสร็จก็เดินออกมา เห็นมีดเล่มหนึ่งอยู่ที่ต้นไม้เขาลืมไปว่าเป็นมีดของตัวเองจึงดีใจมากรีบไปคว้ามาถือไว้แล้วจับมีดชูขึ้นพลางเต้นไป ร, บรอบๆและพูดว่าวันนี้โชคดีแต่เช้าเลยมีดของใครก็ไม่รู้ยังใหม่อยู่แหม่ลับเอาไวค้คมกริบทีเดียวจ้าของมีดนี่แย่มากคนอย่างนี้ ทำมาหากินอะไรมีแต่จะล่งจมพรเอิญเขาเดินไปเหยียบเอาอุจาราที่ตนถ่ายไว้เมื่อครู่นี้เข้าลืมไปว่าเป็นของตนจึงตะโกนด่าขึ้นว่าไอ้คนอุบาทที่ไหนมาถ่ายไว้ได้ที่ทั้งป่ากว้างใหญ่มาทำโสโครกเอาไว้ตรงนี้เองไอ้มนุษย์อับรี่คติจากเรื่องนี้อย่าทิ้งสติ คิดพูดทำต้องมีสติไม่เช่นนั้นเพื่อนพ้องญาติมิตรก็จะไม่มีใครครบคิดต่อไปจําไว้นะจําไว้